มาแล้วอยู่เป็นฉุกเป็นฉุกปฏิบัติธรรมใครก็เลยบอกเราบ้านของเราอยู่ที่นี่บอกทุกคนใครมาวัดฝ่าสุประตูก็ถือว่ามาบ้านเราอันนี้ใครแต่งหน้ามีแต่ยากิพุ่งเห็นหน้ากันให้พวกเราคงรู้สึกอย่างนั้น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 ในเรื่องของการปฏิบัติที่เป็นมรรคเป็นผลในเรื่องดำเนินอยู่ในองค์มรรคก็ได้เดินอยู่ได้เห็นอริยสัจเป็นความจริงที่มันมีอยู่ในเราที่เป็นธรรมที่เป็นสัจธรรมที่ว่าเป็นทุกข์สมุทยัยในโลกมรรคทุกข์ก็ได้เห็นอยู่แล้วได้ทรรมกับทุกข์อยู่ สมุทัยก็เห็นอยู่ได้ทำกับสมุทัยอยู่แม้ยังไม่สำเร็จก็ได้ทำอยู่แล้วมรรคก็ได้ดำเนินอยู่ได้ดูอยู่ได้เห็นอยู่แล้วมรรคแน่นอนการเจริญสติได้เดินทางแล้วมนทางเดินแล้วไปก้าวไปบ้างแล้ว ได้เหยียบบนเส้นทางแล้วไม่เคยบกป่าบกตรงเหมือนเมื่อก่อนไม่ได้บกค่าบกตรงเหมือนเมื่อก่อนมันก็เราได้เดินอยู่บนทางมิตรภาพถ้าได้ดูได้เห็นแล้วเหมือนมิตรภาพเห็นอะไรเห็นกายนี่แล้วเห็นกายที่มันเคลื่อนไหวอยู่นี่ เห็ในใจที่มันคิดเรื่องหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นกับใายกับใจใได้เห็นได้ดูมันแล้วถ้าเห็นแล้วก็ไปแล้วผ่านไปแล้วแต่ถ้าเป็นมาประหยุน์อยู่แล้วอมันอยู่อยู่แล้วเป็นสุขเป็นทุก็หยุดแล้วถ้าเห็นแล้วก็ไปแล้วมรดไม่ละมรด ตัวปฏิบัติจริงๆก็คืออย่างนี้แหละแต่ไปพูดแต่ปากมาสัมผัส ด, ดูจับต้องดูมีเกณฑ์นาทําลงไปรู้สึกตัวลงไปรู้สึกตัวอยู่ที่ตายแล้วมันจะแสดงออกมาทางกายว่าทางใจว่าไม่อะไรอยู่ในกายในใจมันจะแสดงออกมาให้เห็นหมด <c oughs> มันจะรอไปเปิดอะไรออกมามันก็จะออกมาหลายๆอยา่างความคิดกลุ่มสัตว์ก็มีผมหงวงัวเงาหัวนอนก็มีเวทนาที่เป็นสุขเป็นทุกข์ก็มีความคิดอะไรที่มันตะเปกตะปะก็ออกมาให้ดู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 เห็นกายที่มันเคลื่อนมันไหวแต่ผมก็สนุกดีมันเห็นของกินไม่ใช่เพลิดเนไม่ใช่เล่าเรืยายไม่ใช่ไปดูละครอ้าเป็นละครก็เรื่องของเรานี่แหละมันเคยหลอกลงมาหลายเรื่องมากแล้วเราเคยหลงกับละครเรื่องนี้ความรักความชังความจขความทุกข์อ่ะ ที่ น, นี่เรามาดูกันสักจะได้เห็นเขาแสดงเป็นเงื่อนไขูลกแก่เห็นกายเห็นเวทนาเรื่องของกายก็ใหญ่เรื่องของเวทนาก็ใหญ่ที่เขาจะแสดงออกมาหมกับตัวละครแต่เราเลือกเขาก็มีมบทบเรื่องของความคิดก็เหมือนกันแต่คิดเนี่ยก็ใหญ่ สามารถดึงกรชากกล้าตัวเราไปได้ทําให้หัวเลาะทาให้ร่องให้ทําให้เกิดอะไรได้ทำที่มันเกิดขึ้นมาย่อมคิดเป็นกุศลบ้างเป็นอกุศลบ้างเห็นไหมยางทีมันเกิดความสงบเกิดเศีนขึ้นมาเกิดสมาธิเกิดปัญญาโลดโลดโลนีล้นั่น อางทีมันก็ง่วงเมาหอนอน ล, ลองเลยสงสัยคิดปรุงศายนะมันแสดงฉนะากเกาเา่าบางทีเกิดความโกรธความโลภความหลงเกิดกรรมมลทัะนพยาบาทฉากเก่าเอกไปใช้แต่มันก็ทำให้เราหลงได้เรื่องเกา่เกาๆโกรธแล้วโกรธติดทุกแล้วทุกข์ติด หลงแล้วหลงอีกแต่เรามาดูกันแล้วเรเห็น <c oughs> เห็นตัวตัวโกงตัวแสดง่ยงมันหลอกเราให้หออัวเลาะร้องไห้อวันดีคืนดีอะไรเรามาเห็นมันเลยไม่แสดงกับเขาเราดูเขาแต่ตอเราแสดงเขาจะให้เราหออัวเราะแล้วเราหออัวเลาะไปสบเขา เขาจะให้เราลักเราก็ลักไปกับเขาเขาจะให้เราชังเราก็ชังไปกับเขาเขาจะให้เราเกิดอะไรกับไปกับเขาตอนนี้เรามาดูนะออกมาดูพอดูลู่เรื่องมันก็บาทีมันก็เจืดได้นะมันแสดงเวลาอะรมันก็เจื่อยไม่ใหค่าไม่ให้ค่านะแต่ตอนมันไม่ค่ า, ค, าความโกรธก็ไม่ค่ารักใช่ความโลภความหลงความลักความชังไม่ค่า ถ้าม่นมีค่าสาหรับเราแต่นี่มันไม่มีค่ามันจืดไปแล้วมันเราดูเขาเล่นกลเขาบอกไอตีไปเอาแป้จากบ้านเช็กจั่วมาใส่กระป๋องเขาก็ทำหุ่นเป็นไอตีตัดกระดาษเป็นลูกคนเ้วก็จุดไปยัดใส่กระป๋องไอตีไปแล้วไอตีไปแล้ว ไอ้ตีก็ไปเอามาแป้งแป้งได้มาแล้วแป้งได้มาโอ้เต็มกระป๋องเปิดกระป๋องออกแป้งเต็มกระป๋องเอามาแกะคนถานั้รเคยเห็นไหมเป็นเออนะเคเห็นไหมเขาเรี่นก่อนโทรสารเคนเห็นไหมตัดกระดาษเป็นรูปคนอ่ะเอาจุดไฟแยดใส่กระป๋องบอกไอ้ตีไปรักแป้งม้านเช็ตัวมาสักกองผมหนึงเออ แต่เขาลอยเขาเปิดกระป๋องแล้วเราก็มีแป้งเต็มกระป๋องจรินไหมอ่ากินไห ม, ออไหมโอ้เราก็เห็นเขาแสดงโอ้มันเอาไม่ได้จริ น, น้อนเะลเปิดกระป๋องพอดีเขาเปิดกระป๋องอีกเปิดอันเดียวมันเป็นสอง สองชั้นเลยอะไรก็แล้วยังเห็นควรควรควรนไปที่เขาจิดกระดานแยกเส่กระป๋องพอเปิดออกยังเห็นควรนโอ้อาจจะไม่กระป๋องเป็นสองชั้นบ้างนะมันก็หลอกเราทำให้เราหลงคนพนี้พอเขาใช้อีกเรื่องทีหลังแล้วก็ลูกลูกลู ก, ลกไม่มีแนวลูกไม่มีแนวรวมก็ไปตีเลยบอกว่าอันนี้มันหลอกเราแต่แ ท, ท้มันไม่ใช่ การเห็นนี่ละมันอะเห็นความโกรธเห็นความโลภเห็นความหลงเห็นความรักเห็นความชังเห็นความสุขเห็นความทุกข์เห็นความยินดีเห็นความยินรามันหลอกเราให้เราหลงมันมานานแล้วหลอกให้สุขหลอกให้ทุกข์นันเป็นนั่นนะครับว่ามักแต่แล้วมันก็แสดงแสดงแอ่ไรมันก็ไม่มีค่ากันหรอกแต่ความโลภความโกรธความหลงความรักความชังความสุขความทุกข์มันมีค่าสําหรับเรา แต่วันสามเราก็ทําตามวันนี้มันไม่มีค่าก <c oughs> ็เราเห็นทํำไมจะไม่เห็นเราจับมันมาดูเนี่ยจับกายสตยิเห็นกายเนี่ยแต่ว่าก็แสดงอะไรหลายๆอย่างให้เราเห็นเห็นไปเห็นมาก็เห็นเป็นโครงสร้างกองลูกกองน้ำกองขันห้า กองอุปาทานที่มันแสดงก็ได้หลักได้ฐานความเท็จความจริงที่มันมีอยู่ในกายในใจในรูปในนามเป็นสมมุติอย่างไรเป็นบัญญัติอย่างไรเป็นปรมาจา์อย่างไรวัตถุอะไรบ้างอาการอะไรที่มันเกิดจากวัตถุ ที่มันมีจากวัตถุเมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้มันเป็นใหม่เรียกว่าวัตถุอาการเช่นตามันต้องเห็นลูกถ้าไม่มีตามันก็ไม่เห็นลูกถ้ามีหูมก็ได้ยินเสียงถ้ามีกายมันก็ต้องสัมผัสล่อนอนแงนีใจมัก็ต้องคิดเป็นมันเป็นวัตถุอันะแล้วมันก็เกิดอาการเมื่อมันสัมผัส ตอนที่มันเกิดอาการมันมีอะไรก็เป็นหลอกมีความหลงมีสมมุติปัญญามีอุปทานไปยึดไปยึดมันก็ลลมลุกคลุงคารอยู่ตรงนั้นแต่ถ้าเราเห็นเลยว่าโอวัตถุอาการสมมุติมันจะประมติสัจจ์เราก็จิบแวะจีงแว ะ, แะไปทีว่าไม่เทีย่ยบความเป็นทุกข์ ความไม่ใช่ตัวตนอยู่ในทุกอย่างมีอยู่ในทุกอย่างในกองลกูกในกองนามในความทุกในความโลภความโกรธความหล่อในความไม่เที่ยงในความเป็นทุกข์ในความไม่ใช่ตัวตนแต่เรายังไปเอาไปถือไปยึดออกมาไปยึดไปถือเอาที่เราตรวจพื้นที่น่ยว่าโดยย่ออุปทานขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวทุกมีการจํำแน่ อย่างนี้คือรูปองอนิจจง<ม>อะไรี่เราสบ<ม>ความยึดมั่นในลกูกความยึดมั่นในเวทนาความยึดมั่นในสัญญาในสังขารในวิญญาตู้โอ้ตกใจวางเลยเราจับอะไรอยู่ ตอนด้มันไม่เห็นวางเลยพอวางแล้วมันก็บอาผมยึดตั้งในสุขความยึดมันนมดม่นในในกองเลขาในกองลูกในกองสังสงญญาสังขารเิ็นอากโอ๋แต่ก่อนนี้กองกลูกกองขันห้างเขาเมือกับผลทั้หายผลเขาทำงาน ตางคนต่างทำหน้าที่ของใครของมาขยันคนลำเ ด, ด็ดบางคนหนาคนนั่งอยู่เดียวกันคนหนึ่งฟันโมกคนหนึ่งว <c oughs> ิ่งขึ้นต้นไม้คนหนึ่งลงหน้าคนหนึ่งวิ่งเข้าป่าคนหนึ่งวิ่งเข้าบ้านคล้ายๆกันนะอ่า แต่เมื่อเราไปเห็นแล้วแล้วก็สิ่งเรานั่งห้าคนนั้นมันตกลงกันอย่างไรไม่รู้ต่างคนต่างวางต่างคนต่างวางเล่าวางลงท้องๆกันหยุดหยุดทำงานหยุดทาหน้าที่หยุดเอาอะไรเอาอะไรวางถ้าเป็นจอกก็วางจอบลง เดินไปเรื่อัๆยึดไปดรื่อยๆเดินหันหลังไปคนละทางไม่ทําางนมันเดิมไม่ยึดมันเดิมแต่มันเห็นนะแต่มันเห็นแล้วก็เวทนาเอาเวทนาล้วนๆไม่ในอุปทานสัญญาสังขารวิญญาณไม่เป็นทุกข์แต่ตอนลูกก็เป็นทุกข์เวทนาเป็นทุกข์สัญญาเป็นทุก ข, ข์สังขารเป็นทุกข์วิญญาณเป็นทุกข์ ก็ไม่เห็นแล้วมันก็ไม่เป็นทุกข์มันกลับลูกไม่เป็นทุกข์เวทนาไม่เป็นทุกข์สัญญาไม่เป็นทุกข์สังขารไม่เป็นทุกข์อนุ ญ, ญาตไม่เป็นทุกข์เพราะอุปทานกอะไรมันไม่เหนมันลึกมันเห็นเข้าไปเกี่ยวข้องเข้าไปลึกเลยพราะความรู้จึตตัวมันมันเข้าถึงเนื้อถึงตัวของรู้จึตตัวนะเหมือนคนจะมาทํำรางน้ามันสูง ต้องไปตีตะปูใส่เชิงชายโน่นต้องไปตีเกาะไปขอใส่นอนต้องเอาล่างไปวางโน่นทาไงเขาก็ทาํนานั่งนั่งล่างขึ้นไปพอเข้าไปถึงเอแต่เป็นรูปไปทําได้ไปตีตะปูตรงนั้นได้จับตรงนั้นมันก็สําเร็จตรงนั้นสุดยอดทําตรงนั้นพอเข้าถึงตรงนั้นอ่าขึ้นตรงนั้นพอเข้าถึงตรงนั้นลงมาเน่มันก็ลงมาได้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 ในสมมุติมันก็ทํา ใ, ญญทให้ไม่มีค่าในบัญญัติมันก็ทําให้ไม่มีค่าในปรมัตุก็ทําให้เป็นจริงอ่าก็เป็นย่างนั้นนะแต่กนไม่มีค่าของโกดก็ไม่มค่าของทุก็ไม่มีค่าในตัวปฏิบัติที่เราทำอยู่นี่มันเห็นกายทําไมเราจะไม่เห็นนะทําทไมเราจะไม่เห็นทุกคนเห็นได้ ลองพลิกมือขึ้นเาก็บอกเลยว่าพลิกมือขึ้นก็พกลิกมาขึ้นรู้ได้ยกมือก็ยกได้เอามาวางตรงนี้ก็วางได้เคลื่อนไหวก็วาง ไ, ไ, ไปได้รู้ได้แน่รู้ได้าวมรู้ได้ปฏิบัติได้ให้ผลได้ปฏิบัติได้ให้ผลได้รู้ได้นไม่มีใครไม่รู้ถ้าใครที่ไม่รู้ก็สแสดงว่าเพี้ยนเป็น อาภาพัอาภาพภะอภัพภะบุคคลไม่มีสติกไม่มีสติกพราะพระพเจ้าสอนบุคคลที่พอสอนได้คือพวกเราที่นั่งอยู่เนี่ยอ่าขอขยบมือสร้างทีว่าก็สร้างได้บุคคลพอสอนได้ถ้าบุคคลพอสอนไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะนันพวกเราจึงมาทำมาเปิดประตู ไม่ปิดประตูเป็นผู้ไม่ปิดประตูเรียกว่าอุบาสกอุบาสิกาให้เปิดประตูเข้าไปไมีสติเข้าไปรับสติเข้าไปลงพื้นที่ลงกายลงไปในกายอยากมีอะไรของกายบางทีก็มีบานกันน ะ, ะความริษมั่นถือม่ น, มนอุปทานต่างๆความชอบความไม่ชอบสมมติบัญญติ มันก็ขวางกันได้เขาเรียกว่าอะครเขเรียกว่าเดรัจฉานเดรัฉานเป็นขวงกันไปทางของขวางแตามนุษย์เนี่ยไปทางเปิดเปิดไม่ขวางถ้าจอดรถประจอดไปเดนทางเดียวกันเหมือนเจะจอดก็บอกนะจอดรถคิดถนนจอดรถให้คิดถนน ให้ไปแนวเดียวกันไม่ใช่ขวงหน้าขวงหลักอะไรมันก็ไม่เป็นอะไรหรอกมนุษย์เนี่ยหรือว่ากรลยาณนะ์นปุถุชนไปทางไม่ขวงเปิดต่อมาลู่สืบตัวกนลู่สืบตัวรับเอาไปสัมผัสกับกายรับเอาไปสัมผัสกับจิตรับเอาไปสัมผัสกับเวทนาเห็นง่ายๆ เห็นกายง่ายง่ายเห็นเวทนาง่ายง่ายเห็นความคิดง่ายง่ายเห็นธรรมง่ายง่ายเห็นทุกข์ง่ายง่ายเห็นสุขง่ายง่ายเห็นอะไรที่มันเกิดมาเห็นง่ายง่ายอย่ลูบลูบคำคำให้เห็นเข้าไปบาปงคนะงก็ลูบคํานะลูบคําทุกข์ลูบคําเวทนาลูบคําอะไรลูบคําไม่ได้เข้าไปดู ว่ามันคืออะไรเป็นน้าทิ้งมันก็สนใจเรื่องนาําไม่ใช่ลูกคำไม่ดูไปแล้วดั้งเดินขยกขยบอยู่นั่นถ้าคนที่มีอะไรที่มกันปกติมันไม่ยอมเดินขยบขยศมันก็ต้องไปเอานามบอกเพเห็นจริงๆดูเข้าไปแต่่อนเราไม่สวมรองเท้านะ หยิยบน้ำเนี่ยควจะเห็นน้ําเนี่ยเขาทําังไงนะคนศักดิ์าท ำ, ทำาไไยังไงสมัยคนโบราณฮะเวลาเหยิบน้ำนะํำเขาเอาน้ำลาวนั่นว่าไม่เก้วแตาน้ําไา่ใส่เนืมือไปถูวนเดี๋ยวนะ่ะพาเท่ามันดำมันมไม่มีรองเท้าทําไมก่อนดํำเรากดด้านด้วยแล้วก็เอาน้ําลายใส่ในเนื้อมือเนี่ยก็ไป ถูฝ่าเท้าโคตรจนจนจนสะอาดแล้วก็มองลงไปเห็นหนามอยู่ในเนือฝ่าเท้านิดหลีกันแล้วก็บุ่มมันออกมาเ น, ะ <c oughs> น่คนที่สนใจเอาหนามออกจากเท้าไม่รอไม่ยอมเดินกระยอบกระยันนั่งลงจะไปเลี้ยงวัวเลี้ยงควายนั่งลง อที่ก็ช่วยกันโอ้มาช่วยก้วมาช่วยด้ยนอาบงน้าบกบางคนก็มีฝีมือนะบางคนก็ทำไม่ได้สัจับน้าลงไปบกสั่นเลอน้าก็บงน้ำหอยบงลงไปบางคนก็จับคอไว้มันเจ็บร้องแล้วก็บอกบออปไปเดย่อได้สบายเลยสนใจอย่างนี้นะสติไงสติมักจะเป็นอย่างนี้นะเห็นอะ เห็นอะเห็นเวทนาบางคนไม่เห็นเวทนาล่วงบงกับเขาอเห็นเวทนาที่เกิดขึ้นกับกายเห็นเวทนาที่เกิดขึ้นกับใจออกไปเห็นแล้วเวทนาก็ไม่มค่าถ้าไม่เห็นถ้าไปเป็นก็ไม่มค่าแล้วนั่นแหละร้อยวันพันปีเป็นสุขเป็นทุกข์อย่นั้นแหละจริงสุขก็กเป็นของจริงทุกข์ก็เป็นของจริงสําหรับ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 เป็นสุขก็ใหญ่ให้ความสุขเป็นทุกข์ก็ใหญ่ในความทุกข์เรศนาพอ่าเห็นแล้วไม่ใหญ่เลยติดจ้อยสติใหญ่กว่าภาวะที่เห็น ใ, นใหญ่กว่าเปอย่างนั้นไหมปฏิบัติธรรมนะก็ะไปดูก็ไปดูวันเราเหยียบน้ําแล้วก็ไม่อํานาจที่จะบ่งน้ําออกพอน้ําออกแล้วก็ทับใต้ด้วยอเห็นกาย เห็นเวทนาเห็นควคิดเห็นจิตเห็นมันคิดเห็นธรรมเห็นรูปเห็นนามเห็นสงมตเห็นมันอยากเห็นวัตถุเห็นอาการเห็นปรมัตร์เห็นศีลเห็นสมาธิเห็นปัญญาเห็นมรรคเห็นกุศลและกุศลไปรวมอยู่รวมลงรวมลงรวมลงรวมลงลงกุศลอกุศลกุศลทางกาย กุศลทางใจกุศลทางว่จาจ่าอักกุศลทางกายอักกุศลทางว่จาจ่าอักกุศลทางใจยอดเลยวะโลกกัมือแล้วกเ อ, อเอาไม่สติเนี่ยเราไปความรู้สึกตัวนะรู้สึกตัวแล้วก็ทั้งหมดแล้วกนพูดก่อนทำก่อนคิดขณะที่พูดที่ทําที่คิดนะก็ไม่สติมัก็สร้างกุศล ม, มันต้องเพื่เทียน ตันเชื่อบขาดทีหลงผู้เทียนโคตรอโอ้ปฏิบัติไปปฏิบัติไปเห็นไปเห็นไปโออคตมันมีกุศลกับกุศลกุศลทางกายคนไม่ทําบาปทางกายมันจะเกิดอะไรกันโอ้มันเกิดได้แบบนี้แบบนี้คนไม่ทําบาปทางวายจาจมันจะเกิดอะไรกันโอ้มันเกิดอย่างไรอย่างนี้ คนไม่ทํำบาปทางใจมันจะเกิดอะไรขึ้นโอ้จะเกิดนันนั้นนั้นนั้คนไม่ทําบาปทางกายทางวาทบาทางใจมันจะเกิดอะไรขึ้นผมก็เดาว่าเหมือนเชือกขาดอัดทดันทีอือขาดเลยเสียดายเชือกเอาเชือกมาต่อต่อมก็เป็นรูกเชือกอยูแต่ว่าเมื่อใช้จะใช้มันเป็นอันหนึ่งมันไม่เป็นอีน้องขาดหมายความว่า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 ปโกรธใช่กัได้ความรักความชังความสุขความทุกข์บนชายกระดานมันอยู่ตรงไหนมันไม่มีอะไรแต่ความมันต่อกันมันเรื่องด้วยกันความโกรธก็เป็นเรื่องของเราความรักความชังเป็นเรื่องของเราความสุขความทุกข์เป็นเรื่องของเราวัดที่มันไม่ใช่เรื่องของเราเรื่องของเราเกิดคือไม่เป็นอะไรคือไม่เป็นอะไรเลยไม่มีอะไรไม่เป็นอะไรไม่มีอะไร ตัวปฏิบัติทับเรลูบคำเราสัมผัสอยู่เราสัมผัสอยู่เราเห็นอยู่เรากุยทางอยู่<ม>เดี๋ยวมก็จะได้อได้สุขเหมือนเราทํำนาอ่าข้าวลูกไปไถนาเราไม่ได้ทํำนาแล้วไม่ได้กินข้าวอะไรเราไปทําไปทำมันอื่นโน่น <c oughs> จะป่วยจับป่อยจับขาดจับ ไฐานป่าฐานหญ้าไปนวลปวนดินไปนวลปักต้นก้าไปนวลรักษาหน้าม้ารักษาน้าออกไปนวลเอาไปมาก็้เกิดดอกออกผลเป็นปเมล็ดข้าวเอ้าแล้วก็ไปเกี่ยวเอาข้าวลงแล้วไม่กินเลยฮะแล้วก็ไปนวดเอาข้าวเอ า, มาเมล็ดข้าวมาใส่ย่มใส่ถางยังไม่ได้กินเลยเอาข้าวไปสีไ้ข้าวสามมา ยังไม่ได้กินเลยเอาข้าวเป็นเนืองก็ยังไม่ได้กินเลยเอาข้าวมา ใ, ใส่กล่องก็ยังไม่ได้กิน เ, าาเลยเออหลวงพ่อเลยจับข้าวใส่ปากเขี้ยวลงไปโอ้มันก็อิ่มกันมันก็อิม่มแต่ว่าไใมันยาวนานมากกว่าแต่ว่ามันก็มันก็เป็นเรื่องอันเดียวนั่นแหละถ้าไม่ทําตอ น, น, นก็ไม่ได้อิ่มตรงนั้การปฏิบัติธรรมก็วัมนกันในสติในสติพระเจ้าเปรียบเหมือนเมล็ดเมล็ดพันแห่งโกธิอ่นะ รู้สึตัวรู้สึตัวมีเพิ่มเพียนเหมือนเนมากมีน้ำผลมีสติเหมือนมีคาดมีไถมีปัญญาไขานําเข้าไขานําออกได้ผลหรือมรรคผลในความไม่เอามากินแล้วไม่เกิดไม่แข็งไม่เจ็บไม่ตายพอได้ข่าวไปไปสอนมิจฉาทิพย์ของความจนหนะึ่งจนได้เป็นสัมมาทิพยิ ตัวปฏิบัติธรรมที่เราทำด้วดแตเหมือนการทำการทำนาก็าเหมือนการท ำ, ารทำน า, เ, น า, ำนาเป็นการปฏิบัติเพื่อมรรคผลในพานก็เป็นการทำเพื่อมรรคผลในพานโดยแท้ถ้าเป็นศีลก็เข้าถึงศีลนเน่ยเรามีสติเห็นกายเราก็รักษากายให้สติเห็นใจ่ารักษาใจมันก็ไปทำชั่วอยู่แล้วมนสติดูกายอยู่นี่ใครไปดา่าใครไม่มี ่นั่งเงียบๆกันอยู่โดยหน้าตาก็ปกติอยู่ไม่เลใค ร, รปวดรุ่นเปเครียดอะไรอ่าไม่เลใครหลงสังเกฟังกันอยู่เวลาหลวงพ่อพูดนี่อ่าบางทีบางคนโดยสร้างจังหวะไปรู่จิกตัวไปอ่าไม่เลใครไปข่าศัตรูตกโยมตกไหลมดไหลแมงอะไรอ่าไม่เลยใครโวยบ้ายแต่ว่าใจอาจจะคิดไป ไปอยู่ไหนทำไมลกบอางคนนะเรากลับมาที่กลัมาฟังมาลูกตัวอยู่นี่อาศัยการได้ยินได้ฟังเป็นความลูึกตัวฟังไปธรรมดาธรรมดายากไปใส่ใจไปจดไปจำเอาไม่ใช่ฟังฟรีฟรีฟังโก้โก้ไปฟังเฉยเฉยไปดูองค์อาฟังแบบองค์อาจน่ะแต่ว่าเพื่ออะไรเพื่อไปประกอบ เพื Finally, like so hey, says, ady, uh ่อไปประกอบกับอะไรเพื hey, so ่อไปประกอบกับการงานในเมื่อเราลงมือทาโอ้หงพ่อบอกพยองมือสร้างจังหวะเอาลู่นะเอาความลู่เนี่ยมันก็บอกกันมาแล้เพราะว่าลู่เลยก็เลยเป็นคำถามมืออยู่ไหนมืออยู่หัวเขาอะไรรู่มืออยู่หัวเขาเราก็ตอบก็เองได้หมดเลยอะไรรู่มืออยู่หัวเข่าคือลู่สึกตัวเห็นไหมเห็นอะไรเห็น ตาหลับตาดูสิเห็นไหมโอ้เห็นอ๋อเมันไม่เห็นตามันคือความรู้สึกตัวแต่แขงมือตั้งไว้ดูสิรู้ไหมเขบอกว่ามือของคุณทำอะไรอยู่มือข้างข้อเขาวาแต่แคงอยู่ไม่ใช่กลม อ, อยู่หรือไม่ใช่ทําไมจึงใครเป็นคนรู้รู้เองอ่ า, อ า, าะถูกต้องแล้วยกขึ้นดูสิ<ไ>เขาบอกเขาถามว่ายกเลยอังมือข้างข้ อ, อกาก็บอกว่ายกแล้วไม่ใช่วางอยู่เขานะไม่ใช่ ผมก็างมือของคน่ะว่างอยู่เขาเชื่อไหมไม่เชื่อ่ะแสดงว่าเขาเห็นนั่นคือของจริงกําลังศึกษากําลังกําลังสัมผัสสัมผัสกับความรู้สร้างจังหวะสิบสี่จังห่ะรู้ไปรู้ไปรู้ไปรู้ไปนะอ้าวตัวรู้ก็ก็เกิดขึ้นมาแล้วตัวเห็นก็เกิดขึ้นมารพร้อมๆกันเห็นอะไรเห็นกายแล้วบ้าเห็นแบบไหนเห็นแบบพระพุทธเจ้ า, าสอน พระพเจ้าบอกว่าเห็นกายมีสติเห็นกายโอ้เกิดนี่อันนี้เกิดไหลไปมามันเห็นเนี่ยมันเห็นเนี่ยเห็นกายอ่าพอเห็นกายมาก็เป็นพลังพอที่จะเห็นหนึ่งเห็นเวทนาเสนอหน้ามาเวทนาเห็นความคิดมันเสนอหน้ามามีพลังแห่งการดูแล้วมันแต่เพื่อทำใหม่ๆย่าเพิ่งไปหาดูโน่นดูนี่คมหน้าคมตาสร้างความรู้สึกไปก่อนนะ แต่ว่ามันมีโอกาสก็ค่อยเห็นไปเองนะอะเห็นด้านที่มันต้องเห็นแต่อย่าเข้าไปเป็นบางทีบางคนก็ตะเปตะปะไปเห็นโด่นเห็นนไปเห็นสีเห็นแสงเห็นนิมิมันก็ไปสอนทมอยู่อจังหวัดการจะดบุหรีอ๋อไม่ไเด็กคนหนึ่งเขาเกิดนิมิตเื่อต่างคืนแล้ว เขาก็อดไม่ได้ก็ อ, อยากจะมาพูดให้เราขเขาเขาก็มาเขาก็มาเวลาเขา น, นั่งอยู่มันมีมันมีแสงสว่างกลมกลมเขานั่งอยู่างไรก็ติมันก็ส่องมามาครอบเขาเรา ก, ก็มองอะไรเห็นอยู่ในความมืดเราก็ว่าโอ้มาเกิดอะไรขึ้นทำไมมันจึงสว่างอย่างนี้เอาท่าน ท, ที่ไม่มีไปแล้วก็มองรอบตัวว่ามันสว่างเป็นวงกลมครอบเขาไว้ แล้วเขาก็เดินมาหาหลวงพ่อเขายังว่าอันกลมๆที่มันสว่างเขาพาเขาเดินมาเขาบอกว่าเ ข, า, า, ข า, าก็นอนอยู่ไรก็ะจกเขาบอกว่าหลวงพ่อไม่ต้องจุดจุดตะเคียนกระไดนนผมก็เห็นแสงสว่างอยู่แต่เราก็ไม่เห็นมันเขาเขาว่าเขาเป็นมาเขาพูดให้เขาฟังอันมันเป็นเนื้ิตโอคาแสงสว่างมันเป็นนิมิต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 โอภาสแสงสว่างบางทีมันเกิดปัญญาด้วยนะปัญญาไม่ใช่ปัญญาแบบ่ะเป็นปัญญากินตะยานบางคนนั่งคิดเหตุคิดผลเห็นอะไรก็ลำดับลำนําอยู่อย่างนั้นลืมสติไปบ้างในบาคนมันชวนให้โลดคิดโลดไปอนุนิ้ป็นขยันไปตักวันแล้วขยันกลับไพูดไปพวลาเราก็ออกหมดแล้วแล้วก็ไม่มีแล้วบางคน มันเป็นได้เนาะมันเป็นได้บางทีแ้วใอย่าไปดีใจอย่าไปเสียใจอย่าไปกลัวแม่เห็นอะไรที่มันเกิดขึ้นเป็นใครเป็นขาพพุทธเจ้าเป็นผีเป็นเปรตอะไรก็อย่าไปกลัวมันเป็นอย่างนี้เฉยๆถ้าบางคนนะแต่ถ้าบางคนก็ไม่เป็นอย่าไปหาก็าจะเห็นสติก็ถูกต้องแล้วมีสติเห็นกายก็ถูกต้องแล้วเห็นไปเรื่อยๆไรอย่างนี้ถูกต้องแล้ว สะดวกแล้วเคื่อนไว้ไปมาลูบอยู่เห็นอยู่นี่ก็เห็นอันเดียวเนี่ยเห็นแต่ผืต่ผืนเว น, เนี่แหละนี่คือตัวปฏิบัติมันลูคําได้มันสัมผัสได้ความลูบสึกตัวก็สัมผัสได้ความหลงโก็สัมผัสได้ไม่วันทีความโกรธกิเลสตัณหาปัาบาเขก็สัมผัสได้เอาสติไปสัมผัสอตัวสตินี่เป็นตัว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 เราใช้หูไม่ใช่หูให้ใช้เราใช่กายใช่จิตไม่ใช่ให้จิตมันใช้เรามันมัน่จะถูกต้องแต่ถ้ามันจิตถ้าเป็นใช่จิตใช่มันคิดกันไงสำเร็จประโยชน์เราจะไปซื้อสังกษี ม, มงาาังกรสลาหอไตเนี่ยคิดลองดูวัดเอาความยาววัดความสูงกันทันเกีเม็ด ความยาวกี่เมตรลําหนาสังกะสีแผ่นหนึ่งมุมแล้วห้าสิบเซนอ่าสิบเซนก็เท่ากับสองหนึ่งแล้วก็สองแผ่นก็เท่ากับเมตรหนึ่งก็ไล่กันไปก็ได้ข้อมูลไปซื้อสังกะสีมามูุงสาราหอวไตสําเร็จเศษเหลือมากนิดหน่อยเผื่อๆว่าแนวคิดเราใช่มันคิดไม่ใช่ให้มันคิดให้มันใช่เรา บางทีมันก็เราใช้ได้ใช่กายใช่ใจใช่สติใช่ได้แต่ถ้ามันใช่เราไม่มกักจะไม่เป็นธรรมมามาจจะไม่เป็นธรรมเราจงมาสร้างสติให้เป็นเจ้าของกายเป็นเจ้าของใจเรามาดูแลย น, นะนี่นะนี่คือตัวปฏิบัติตัวเรามาสร้างอยู่นี่นเราพูดต่เรื่องเก่านี่แหละเพราะมันเป็นของเก่าอยู่แล้ว กายก็อันเก่านี่แหละเวทนาก็อันเก่าอจิตใจที่มันคิดก็อันเก่าความสุขความทุกข์ความโกรธความโลภความร้องก็อันเก่าปิติหาก็อันเก่าแล้วก็เห็นอันเก่าๆทำอันมันมีอยู่นี่แหละรู้สึกตัวอยู่เนี่เหมือนเราใช่ตาไม่ใช่มีใครว่าเอาตาอันใหม่มดูมันอยู่เรื่อยไปดูมันอยู่เรื่อยไปเห็นมันอยู่เรื่อยไปนะตาในของเราคือความรู้สึกตัว มันจะเกิดเป็นตาทิพย์นะไม่ใช่ตาทิพย์จะเห็นเลขเห็นหวยนะไม่แก้วนะไม่ใช่ตาทิพย์แบบนั้นนะเห็นของกินจะเห็นลูกเนี่ยเห็นนามนี่เห็นกินเลสเคยแต่กิกเลสนะความเศร้าหมองแต่ให้จิตใจเศ้าหมองเห็นกุศลไหมความฉลาดเห็นอกุศลไหมความง่อุปาทานนะมีไหมมีอนะเห็นควา ม, มงูไหม ความงงกับความไม่มงงต่างกันนะอะเห็นไหมเห็นแล้วตัวแก้ไหมแก้แก้เปลี่ยนเปลี่ยนควงงนั้นเปลี่ยนความงงเป็นของมรู้ควาตื่นเปลี่ยนควาหลงเป็นของมรู้เปลี่ยนของทุกข์เป็นความไม่ทุกข์นี่เราเป็นนักปฏิบัติต้องทำนี่แหละพยายามรู้สึกตัวเติมความรู้สึกตัวต้องนะก่อนพูดก่อนทําก่อนคิดขณะที่พูดที่ทําที่คิดเราหัดตรงนี้นะ อย่าขนผันผันแรลอย่าเป็นคนบูว้วาอย่าเป็นคนลุกด่ลุกล้มให้ลู้สึกตัวลู้สึกตัวอ่าอ่อาได้ยินไหมได้ยินทุกคนไหมจริงอถ้าพูดปากเป่ามันก็ดีนะมีคนหนึ่งมึงพ่อไปสอนทำที่เชียงใหม่เขาไม่ฟังนะถ้าพูดใ่มาอย่างนั้น ตะวันตรงแต่งไปแล้วเสียเสียธรรมถ้าพูดออกจากปากหลวงพอ่อนะโอ้หลวงพ่อไปสอนธรรมอยู่ที่ป่าสวนลําใหญ่อําเภอสันป่าตองเขาเป็นประลัดจังเขาเป็นปลัดจังหวัดแต่ว่าเคยเสียแล้วพอามาฟังโอ้เขาชอบนะแต่พวกเราในฟังเนี่ยไม่ค่อยได้ยินบางคนก็มาบอกคนอยู่ข้างหลังไม่ได้ยินเลยหลวงพอ่เอเลยจําเป็นต้องใช้ใช้ไม้ให่ใช่ไหม เ้าพูดปล่าเปล่าได้ยินยหมบางคนไม่ได้ยินยนะแต่ใช่มาอย่างนี้เออที่จริงเราเขาก็ไม่อยากใช่อ่าสู้พูดปากเป่าปัน้ะเพราะว่าพวกเรามันหูสูงกันนะนมยได้ไอะไนะนะก็ะะาทาไปนะสมมุติบัญญัติไปพวกเราก็กาบผากรกัน อะระหังสัมมาสัมพุทโธระคตุถังันตัอะภิรัติสวัชตุพระกุาธมนอมมิสุปฏิปันโนะภาวะตัสาวกสังโฆ